M.P. 3สแผ่นที่34ชีวิตลิขิตได้ด้วยกรรมเป็นใหญ่ชีวิตลิขิตได้คือชีวิตของเราลิขิตได้คือเราจะทำสิ่งไหนเราก็ทำได้ชีวิตนี้ชีวิตที่หาได้โลกนี้โลกหาได้อย่างคุณแม่ชีแก้วท่านบอ ก, กเราจะหาดีหาชั่ว หาทุกขหาจนหาลํารวยหายากไรหานรกหาสวรรค์หาเนพานหานรกอเวจีได้ทั้งนั้นเพราะเราหาได้แต่เราต้องใช้ปัญญาสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์สิ่งไหนที่ดีเราควรจะหาสิ่งดีสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์เข้ามาสู่ตัวเองสิ่งที่มัน ไม่ดีที่หา ย, ยานะยายไปโสแสวงหาเข้ามาสู่ตัวของเราเพราะนั้นชีวิตเล็กขิดได้เราจะให้ดีจะให้ชั่วจะให้ทุกจะให้จนจะให้เป็นนักเกรงหัวไม้เข้าคุกเข้าตลางก็ได้เราจะเป็นบัณฑิตนักปรดชญ้ฉลาดแหลมคมก็ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ล็กขิด ชีวิตของตนไปในทางที่ดี inee, ด้วยกรรมการคือการกระทำพวกเราทำกรมกรมกรรมคือการกระทำถ้านเราทำกรรมดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรถ้าเราทำกรรมชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรเพราะนั้นชีวิตของพวกเราจะดีหรือจะชั่วได้ต้องกรรมคือการกระทำถ้าเราทำกรรมดีชีวชิตของเราก็จะไปในทางทีๆๆ่ดี จเจริญรุ่งเรืองถ้าเราทำกรรมชั่วเราก็จะตกต่ำไปในทางชั่วช้าเสียหายเพราะนั้นขอให้พวกเราให้ตรวจตราชีวิตของพวกเราตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนหลับทุกวันให้ตรวจตาดูความดีความชั่ววันนี้เราได้ทำสิ่งไหนไว้บ้างเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอะไรบ้าง วันนี้เราคิดดีทดําดีพูดดีอะไรบ้างคิดดีทดําดีพูดดีไม่มีใครที่จะรู้จริงกว่าตัวของพวกเราเพราะนั้นพวกเราพยายามส ก, กัดสิ่งที่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วออกทีละน้อยละน้อยให้มีแต่ความดีคิดดีพูดดีทดําดีเข้าสู่จิตใจพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข อยู่ณสถานที่ใดก็มีแต่ความสุขความเย็นใจ MP 3แผ่นที่34นี้ขอขอให้พวกเราทุกๆท่านตั้งใจฟังฟังแล้วจะเกิดประโยชน์แล้วก็จะได้คติธรรมไม่มากก็น้อย MP สของอหลวงพ่อทั้งหมดตั้งแต่แผน่นหนึ่งถึงแผ่น34เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วคิดว่าจะเป็นเครื่อง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 ต้องกลันกรองไตรตองอีกรอบจากนั้นภาวนามายะปัญญาทำจิตใจให้สงบรวมลงเป็นหนึ่งจากนั้นก็นกลั่นกรองไตรตองเหตุและผลที่ได้ศึกษาที่ได้ยินได้ฟังมานั้นด้วยปัญญาอันลึกซึง้งอันนี้คือภาวนามายะปัญญานี้เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านได้รับเอ็มสาทั้งหมด จะแผน่นใดก็ตามก็ขอให้พวกเราตั้งใจฟังถ้าฟังแล้วพวกเราจะได้รับความรู้ไม่มากก็ น, น้อยในเอ3สทุกแผน่นทุกกันที่หลวงพ่อได้พูดเพื่อเป็นแนวความคิดของพวกเราท่านทั้งหลายด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเรา มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งในธรรมและดวงตาเห็นธรรมในที่สุดและก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านปรารถนาทาั้งทางโลกหรือทางธรรมสิ่งไหนก็ตามถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิน